สอี่เกาศูนย์พระเถระผู้ใหญ่มาศึกษาธรรมะวัดป่าบ้านหนองขือยุคนั้นจะว่าชุมทางของพระเนรผู้ปฏิบัติก็ได้ไม่ผิดจะว่าชุมทางของผู้ปฏิบัตินั้นก็คือใจหันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ได้ไม่ผิดอีกแต่ถ้าไม่เขียนผู้อ่านและผู้ฟังก็คอยแต่จะแสงอยู่เขียนซะอย่าให้แสงจะเสียเวลาปีสองสี่เก้นนั่นเองในฤดูแรง วันนั้นเป็นวันบังเอิญก็ว่าได้มีพระผู้ใหญ่ท่านเป็นพระเถระต่างทิศต่างจังหวัดเข้าไปศึกษาหาเลือธรรมะกับหลวงปู่ในสำนักพร้อมกันในวันเดียวท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอุดรนพระอาจารย์สิงห์นครราชสีมาและท่านพระครูอะไรลืมชื่อไปและท่านเจ้าคุณอริยะเวทีป ร, รียงธรรมเก้าจังหวัดจลาสินห์หลวงปู่หอนอยู่วัดป่าหนองโคกอำเภอพันนานิคมหลวงปู่ฟัน่น อยู่ธาตนาเวงวัดป่าอเมืองสกล น, นครพระอาจารย์มหาทองสุขอยู่วัดป่าสุทธาวาสอาเภอมเมืองจังหวัดสกล น, นครมีพระอาจารย์โกงมาวัดดอยธรรมเจดีแต่ยังไม่ได้ใส่ชื่อวัดเพราะไปตั้งใหม่บางวันบางวาระก็ อ, อยู่พักวัดป่าบ้านโกวันที่พระผู้ใหญ่มาเยี่ยมหลายองค์โดยไม่ได้นัดหมายเช่นนั้นพอถึงหนึ่งทุ่มก็จุดตะเกียงเจ้าพายุตีละคัง ลงไปรวมกันที่ศาลาอุโบสถไม่ใช่ศาลาลงฉันดอกเพราะมันคับแคบเกินไปท่านก่าไหว้พร้อมกันเสร็จทิ้นแล้วต่างก็นั่งพับเพียบเงียบสงัดอยู่สองสามนาทีหลวงปู่มั่นมีสันติวิธีปาลกขึ้นเย็นว่าเออวันนี้เหมาะสมผมจะได้ศึกษาธรรมะ ก, กับพวกท่านจะผิดถูกประการใดขอให้พวกท่านปาลบได้ไม่ให้เกงใจผมได้ศึกษาน้อยเรียนน้อย แล้วองค์ท่านเสนอว่าพระบรมมาศาสดาบัญญัติอนุาสา์แปดอย่างเป็นข้อเว้นเรื่องใหญ่อันเป็นปู่ย่าตาทวดของความผิดคือปาราชิตสีแล้วอีกสี่ประเภทในฝ่ายปัจจัยให้ปฏิบัติจนถึงวันสิ้นลมปรานเพราะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยก็มีสี่อย่างเที่ยวบินธบาตหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสุกลหนึ่งและข้อเทสะดองนามโมดเนาหนึ่ง ด้านบินทบาตพระองค์ได้ทอดสะพานไว้แล้วจนสิ้นลมปลานแต่พวกเราไม่ค่อยจะไปบินทบาทกันกลับเห็นว่ามีลาบแล้วก็คอยให้เขาเอามาส่งและบางสุกุลพวกเราก็ไม่อยากเสวงเสียเลยอยู่ที่สงัดกายวิเวะพวกเราก็ไม่อยากเสวงเลยสิ่งเหล่านี้พวกเราได้นึกคิดอย่างไรบ้างพวกเราถูกตามอนุสาดแล้วหรือหรือหากว่าบกพร่องอยู่บ้าง ท่านเจ้าคุณธรรมเจดียิ้มอยู่โดยเขาลบไม่ใช่ยิ้มแย้มส่วนท่านเจ้าคุณอริยะเวทีปเปลี่ยน ร, รมเก่ากราบเรียนว่าไม่มีสิ่งจะแสงพระอาจารย์ได้ดอกพวกกระผมจำได้ต้องได้เฉยๆขอรับกระผมในสมัยนั้นผู้เขียนอายุสามสิบปีกว่าล่วงไปได้สังเกตพฤติการของพระเถระในที่ประชุมทุกๆุกองตลอดพระพิษุนุ่มสา ม, มเณร น, น้อย ใช้มารายาดเขาลบรักหลวงปู่มั่นเหมือนบิดามานดาบังเกิดเกล้าไม่มีท่านองใดจะจับผิดจับถูกในทางแง่ลายอันใดเลยแห่งหลวงปู่มั่นการประชุมถึงจิตถึงใจจึงได้จำไว้ไม่ลืมคล้ายกับว่าเวลาร่างกายร้อนเข้าพักล่มไม้สูงๆโตๆโตมีกิ่งก้านสาขาอากาศโปร่งข้างล่างลมมาพัดพอเย็นๆดีไม่ค่อยไม่แรงเรียกว่าประชุมเย็นมิใช่ประชุมร้อน แล้วองค์หลวงปู่มั่นก็ปลาลบต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงสั่งและทรงสอนเป็นชั้นที่หนึ่งคือภิกษุจึงมีคำออกหน้าว่าภิกขเวเกือบทุกวัตทุกตอนถ้าภิกขเวไม่ศึกษาปฏิบัติแล้วจะให้ใครปฏิบัติศึกษาเราส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาทรงสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาเทวดามารพรมก็ดีว่าในพระบาลี น้อยกว่าภิกษุทั้งหลายนางภิกษุณีก็ดีสา ม, มะเนนก็ดีสามะเนลีก็ดีมม น, ดนางสิกขมานาก็ดีในพระบาลีเห็นมีน้อยกว่าภิกษุผมผู้นั่งหลับตาได้ความมาอย่างนี้ตามประษาผู้เท่าแล้วองค์ท่านหลวงปู่ก็ปลาบลบสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอยู่อันเดียวเป็นหลักแต่เมื่อรวมเข้าไปจริงๆแล้ว ก็พักอยู่ให้รู้จักลดชาติของธรรมในชั้นนี้แต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมาส่วนยานพิเศษว่าหลุดว่าพลยังไม่ปรากฏเป็นเพียงพักอารมณ์อันหยากเฉยๆเรียกว่าจิตใจพักงานอันหยาบของอารมณ์แต่จะติดอยู่แค่เพียงลดของสมาธิไม่ได้เพราะลถของสมาธิเป็นลถขนาดกลางต้องพิจารณาใช้สติปัญญาลงสู่ธาตุขันธ์ในส่วนรู ป, ปรขันธ์นามขันธ์ให้เสมอภา เหมือนหน้ากลองทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตปัจจุบันใดๆทั้งสิ้นหลงู่ตรายลักเสมอหน้ากองอีกเรื่อยๆติดต่ออยู่ไม่ขาดสายย่นย่อลงมาเป็นหลักอันเดียวในปัจจุบันทรงอยู่ซึ่งหน้าสติซึ่งหน้าปัญญาตราบใดนิพพิธายานยังไม่ปรากฏแก่สันดานอันปานี้ก็พิจารณาติดต่ออยู่ไม่ขาดวักไม่ขาดตอนอยู่อย่างนั้นมีทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางอื่นเลย แต่นานๆนจึงจะพิจารณาข่าวหนึ่งขัดขาดวิ่นวินนั้นผู้มีนิสัยหยาบก็พอประทังไปเท่านั้นไม่สามารถจะถึงนิพิธายานความเบื่อนายคลายหลงคลายเมาได้กลายเป็นหมันไปอีกสมถกรรมฐานทุกประเภทนับแต่หนังหุ่มอยู่โดยรอบเป็นต้นก็ดีหรือล้านล้านไหนก็ดีก็ต้องปรงปัญญาลงสู่ไตรัดทั้งนั้นเพราะไตรัดเป็นที่ชุมทางของสมถะและสมถะ คล้ายกับเป็นเมืองขึ้นของไตรลักษ์แบบตรงๆอยู่แล้วไตรลักษ์เป็นเมืองขึ้นของนิพพิทายานความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นเมืองขึ้นของวิมตุตติวิสุทธินิพพานพระโสดาบันเปิดประตูเข้านิพพานได้แล้วแต่ยังไม่ถึงศูนย์กลางพระนิพพานยังไม่ได้เที่ยวรอบในพระนิพพานจริงอยู่พระนิพพานไม่มีประตูลูกประตูนามศูนย์ขอบศูนย์กลางไปไปมามาอยู่อยู่อะไร เป็นเพียงอุทาหรณ์เทียบเฉยๆเพราะคำพูดก็เป็นวจีสังขารทะนิพพานนิ่ใช่คำพูดและนึกคิดหรือลดสิ่งต่างๆมีลดเลือซึ่งเป็นลดหยาบๆในโลกของโลกสิ้นโลกผัดสะกระทบจึงจะรู้จักเข็มเว้นไว้แต่ชิวหาประสาทพิาการแม้ชิวหาประสาทจะพิการก็ตามราลของเตือเข็มตามธรรมชาติของความจริงก็เค็มอยู่อย่างนั้นแลันใดก็ดี ความนึกคิดและคำพูดก็ดีจะไม่นึกคิดพระนิพพานอยู่ก็ตามพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอันไม่ตายอยู่นั้นแหลลิ้นพิการเปรียบเหมือนยังไม่รู้ลดนิพพานองค์ท่างเปรียบเทียบอีกสีมาพัทธสีมาที่คณะสงฆ์ทำกรรมถูกต้องไม่เป็นสีมาวิบัติคณะสงฆ์เสียรูปขึ้นไปก็สวดถอนได้แต่โลกุตตะลรทำนี้ละเอียดไปกว่านั้น นับแต่พระโสดาบันขึ้นไปหาพระอรหันต์แม้พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์อริยะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดจะพร้อมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ดีให้เป็นปุตุชนคนหนาย่อมเป็นไปไม่ได้เหตุ น, นั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายจึงยอมเขารบทธรรมอย่างแฉกจมไม่จือจางไม่ใช่ว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ถือมั่นแล้วจะไม่เคารบทธรรม ยิ่งเขาลบมากกว่าปุตุชนคนหนาไม่มีประมาณได้ไม่ใช่ว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นหรือมั่นได้แล้วก็เลยเกิดไปไม่มีข้อวัดเขาลบทมเรียกว่าพระอริยะเจ้าเลยเขตแดนกลายเป็นพระอริยะของพระเทวทัพแต่ท่านก็เห็นความผิดของท่านแล้วแต่เห็นความผิดรู้ตัวจวนขําแล้วไม่มีเวลาขอขมาโทษพระองค์ได้ขอแต่รับหลังเพียงไหลขึ้นมาหาคอหาหัวโดยน้อมถวาย ถึงกั น, นันก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคตเพราะได้สร้างบารมีมาได้สองอสงไขยแล้วยังเหลือแสนมหากรับแต่ยังเป็นโลกียอยู่จึงสามารถประพฤติล่วงอนันติยกรรมได้หลวงปู่มั่นประชุมคณะสงฆ์คืนนั้นถึงหกทุ่มนับทั้งปกินนกะสาลพัตทิฏฐิปลุกเสกพระพุทธลูกกล่าวเรื่องต่อไปอีกปฏิปทาของหลวงปู่ทอดสะพานให้ลูกห ล, กลานๆ ยังมีอยู่อีกมากมายนักการเลี่ยายแผ่ๆขอขอในทางตรงและทางอ้อมและจัดงานขึ้นในวัดเพื่อหารายได้สมทบการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวกับตัวเงินไม่มีในขันะสันดานขององค์หลวงปู่มั่นเลยของรางของขังไม่มีในปฏิปทาเลยรูปเหรียญขายพระเล็กพระน้อยพุทธาพิเศษก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเลยวิชาปุกเศษแทะหูแทะตา พระพุทธลูกหรือทำพิธีบวชให้พระพุทธลูกก็ไม่มีในสันติวิธีขององค์ท่านองค์ท่านกล่าวว่าสมมติเป็นพระพุทธลูกแล้วก็แล้วกันเราดีอย่างไรจึงจะไปบวชให้องค์ท่านองค์ท่านบวชก่อนเราแล้วเราดีอย่างไรจึงจะไปปลุกท่านให้ตื่นท่านตื่นก่อนเราแล้วเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วเราดีอย่างไรจึงจะไปแค่หูแค่ตาให้องค์ท่านตานอกตาใน หูนอกหูในขององค์ท่านดีกว่าเราแล้วจะพิเศษพิสันให้องค์ท่านเป็นอะไรอีกองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วจะเอาไสยศาสตร์ไปพอกไปทาองค์ท่านทําไมนั่นแหละตัวบาปนั่นแหละขุมนรกขุมมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเต็มภูมิแล้วยังสําคัญว่าเห็นชอบเข้าข้างตัวแต่ไม่เข้าข้างทำมิไัยเพียงเท่านี้ก็ยังไม่รู้จักผิดรู้จักถูกแล้วทําอันละเอียดละอ่ ก็ยังมีขึ้นไปกว่านี้อีกมากชะไหนจะรู้ได้พูดไปมากก็เป็นภัยแต่มีประโยชน์แก่นักปราชญ์แต่บาดหูผู้ไม่ชอบและจะถูกกล่าวตู่ว่าขัดขวางรายได้แห่งวัตถุตัวงอแต่เมื่อไม่พูดเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดในเวลาไหนเพราะตายแล้วพูดไม่ได้และคนเราเป็นส่วนมากมักจะเข้าใจผิดไปคือเราจะทําดีตอนไหนไหนก็เป็นคนที่ขาด แต่เมื่อมีผู้มาพาทำชั่วกลับอาจหารใสอยากจะอวดว่าตนเป็นผู้ใจถึงนักปราดวดว่าใจถึงทางทำดีคนทานอวดใจถึงทางทำชั่วผลฝ่ายรับได้รับผิดกันรสชาติของผลที่ได้รับก็ผิดกันลาวฟ้ากับแผ่นดินสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ในไตรโลกธาตย่อมเป็นผู้ใจถึงทั้งนั้นถ้าใจถึงทางดีไก่ก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำดี ถ้าใจถึงทางชั่วใจก็ได้รับผลชั่วตามส่วนควรค่าของเหตุชั่วพระเทวทัพใจถึงทางมหาอเวจีพระอนาคามีใจถึงทางปราศจากกามราคะและปราศจากโทสะพระอรหันต์ใจถึงทางไม่มีกิเลสแมลงวันใจถึงทางกินมูดขูดมแมลงพึ่งมแมลงผู้ใจถึงทางกินเกสรดอกไม้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ความชัดขึ้นว่าเหตุใจผลใจ ส่วนไปทางชั่วแล้วแต่เหตุส่วนน้อยมากก็แล้วแต่เหตุจะดับเหตุชั่วก็ต้องดับที่ใจจะสร้างเหตุดีก็ต้องสร้างที่ใจอั น, นันต่เหตุก็ใจเป็นผู้สร้างขึ้นอันนั้นตผลก็ใจเป็นผู้ได้รับจะปฏิเสธเหตุผลไปทางใดก็ไปไม่รอดได้คำพีโลแปลว่าล้ำลึกถึงใจใจนี้จะทําให้ลึกก็ลึกได้จะทําให้ตื้นก็ตื่นได้เพราะใจเป็นผู้ทําแต่ก็ต้องพร้อมด้วยองค์สติ องปัญญาอีกมิฉะนั้นแล้วจะเป็นสิทธิ์ไม่มีครูไม่มีขอบเขตได้จะกลายเป็นลมพัดนุ่นหรือไม้ลอยนา้าหรือว่าเชือกขาดฉะนั้นพระบร ม, มาศาสดาจึงยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของใจเราบังคับใจได้ในการที่ควรบังคับปุริสะธรรมสาลติเราฝึกใจได้เหมือนนายสาลติฝึกมาใจที่ฝึกฝนแล้วตอนไหนนก็นาสุขมาให้ใจตอนนั้น เหมือนมีดที่รับคมแล้วนำคมมาให้มีดฉะนั้นเราจรึงมักพูดกันว่ามีดนี้คมดีไม่ได้พูดว่าคุณ น, นี้คมดีถ้ามีดไม่คมก็มักพูดว่ามีดนี้ไม่คมแท้ไม่ได้พูดว่าคุณ น, นี้ไม่คมแท้นี้เป็นรูปเปรียบตื้นๆแต่มีดมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นมีดดอกและมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นเหล็กผลหรือไม่ผลดอกนะ เพราะเป็นสมมติใจกันในสังสารวัดเพราะใจเป็นต้นสมมติสมมติมรคนิพพานเป็นมหาสมมติที่สูงแต่รสชาติของสมมติมรคนิพพานไกลกันกับรสชาติสมมติว่ากิเลสจนมองไม่เห็นได้ด้วยตานอกอันจับหน้าผากตาจับใต้หน้าผากกับตาเนื้อก็มีความหมายอันเดียวกันสัพพตาปัญญาย่นลงมาเป็นสองตาปัญญาทางโลกีตาปัญญาทางโลกุตตระ ตาปัญญาทางโลกุตตะละเป็นตาปัญญาอันเดินลัดออกกองทุกขตาปัญญาทางโลกีเป็นตาปัญญาอันเดินวนเวียนอยู่ในกองทุกขเพราะเดินวนเวียนอยู่ในถนนสายโลภโกรธหลงเรียกวงเวียนใหญ่ในไตรโลกปปลธาตไตรแปลว่าสามหรือจะเรียกว่าป่าไตรสำหรับบวชผู้จะท่องเที่ยวอยู่ในกองทุกขก็ได้จะว่าเพลิงสามกองก็ได้จะว่าคุกที่ใส่สัตว์ผู้ท่องเที่ยวในสงสารก็ได้จะว่าป่าโลก ปา่ปาโกฏป่าหลงให้สัตว์ผู้ชอบท่องเที่ยวพัฒนาจรก็ได้จะว่านรกขุมใหญ่ขุมรวมก็ถูกทั้งนั้นแหละว่าไปเท่าใดก็ไม่จบสิ้นได้จะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ากิเลสไม่จบสิ้นก็มีคุณค่าอันเดียวกันเพราะกิเลสมันไม่ตั้งอยู่เมืองว่าและเมืองไม่ว่าถ้าหากว่าได้อรหันเพราะพูดเพราะว่าจักกะจันร้องตลอดวันจิ้งหลีดร้รองตลอดคืนมันก็ได้อรหัน ถ้าหากว่าอยู่นิ่งๆได้อรหันต์สัตว์จําพวกที่ปากไม่เป็นพูดไม่เป็นก็ได้อรหันต์ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาอันชอบต่างหากดอกกัมมังผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารจะติดอยู่ในว่าก็ไม่ถูกจะติดอยู่ในไม่ว่าก็ไม่ถูกอีกคนใบ้บอดหนวกเป็นต้นพระพุทธศาสนาไม่รับบวชแต่จะอย่างไรก็ให้ศึกษาวิชาเข็ดหลากในกองทุกข์ก็ใจได้ปาลารบเรื่องอื่นต่อไปอีก โลงกลัวหุงต้มฉันในวัดเป็นนิดก็ดีหลวงปู่ไม่ไม่ส่งเสริมเลยเว้นไว้แต่บินธบาตไม่พอฉันจริงๆจนใช้คำว่าอดมากหิวมากองค์ท่านอ้างในอนุสาสตรว่าไปบินธบาตได้แต่ข้าวพระพินัยก็ชมว่าอติเลกลาโปอยู่ถือว่ามีลาภพอที่จะศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปในพระพุทธศาสนาได้อยู่ฝ่ายจีวรได้แต่ผ้าฝ่ายผ้าเปลือกไม้ ก็ถือว่าเป็นราบอยู่แล้วฝ่ายเสยนาส น, นะก็เรือนรางว่างเปล่าลุกขมูลลอมฟังเงื่อมหินหรือถ้ำกูหาหรือกุติตาศาตวกระต้อกใบ ไ, ไม้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นราบแล้วส่วนจําพรรษาต้องมีบานประตูปิดเปิดเข้าออกได้จะเป็นใบตองก็ใช้ได้ทั้งนั้นถือว่าเป็นราบทั้งนั้นส่วนเทศษ์นับแต่ขามป้อมหรือสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าก็ถือว่าเป็นราบทางเทศษ์แล้ว ถ้าพิจารณาแล้วแต่ก่อนลักสันโดดมากนะักยอมเป็นยอมตายต่อพระธรรมวินัยมากเป็นเครื่องขัดเกากิเลสในตัวแต่ทุกวันนี้ความนิยมสมมติกันก็สับสนปนเปไปบ้างแต่จะแปลประหลาดไปสักเพียงใดก็ตามอันเป็นฝ่ายวัตถุนิยมก็อยู่ในวงแขนของพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาแล้วพระเป็นสารยุติธรรมฝ่ายสังขารตัดสินอยู่ทุกการไม่ลงธรรมมากได้ทั้งยาง ทั้งปายในทั้งภายนอกภายในใ ก, ยใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันก็หมดปัญหาอันจะสงสัยอยู่แล้วเมื่อหมดปัญหาอันจะสงสัยในสังขารแล้วสังขารจะใช้กลมานยาสาไถมาจากประตูใดอีกก็ตามก็คงลวงไม่ได้อยู่นั่นเองย่อมได้เหยียบเล็บเพราะสติปัญญาจะก้าวเหยียบเล็บของความเข้าใจผิดได้ความเข้าใจผิดคงไปไม่รอดไม่มีที่ซ่อมตัว นักปฏิบัติเพื่อค้นจากความหลงอันดองสันดานของตนให้ติดให้วนอยู่ในอู่ของวัตถุนิยมแล้วไม่ปรงปัญญาลงสู่อนิจจตาทุกขตาอนัตตาแล้วย่อมเป็นไปได้ยากจเจริญขึ้นในธรรมชั้นสูงได้ยากและก็มักตื่นข่าวในสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินตื่นข่าวทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย เมื่อตื่นขา่าก็ลังเลในปฏิปทาของตนแล้วก็ความหาเหมือนตกน้ำจนตรอบจนหมุมในใจว่ายังไงหนอยังไงหนออยู่อย่างนี้เสมอเสมอท่านผู้ติดอยู่ในกองน้ำลูกก็คือผู้สงสัยอยู่ในกองน้ำลูกนั่นเองผู้สงสัยสัพพโลกสัพพสังขารก็คือผู้ติดอยู่ในสัพพนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหมายไว้ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงจรงจัง จนแกะไม่ได้ถ่ายไม่ออกพร้อมท่านมีความเห็นผิดดิ่งลงไปมีกำลังกล้าถอนได้ยากเพราะฝังลึกแล้วหลวงปู่มั่นอาพาธไปพักวัดลางบ้านนาในาหันมาปลาลบปีสองสี่เก้าหนึ่งในฤดูแรงหลวงปู่มั่นก็เริ่มป่วยมีไข้สลับมีไอด้วยแล้วองค์ท่านป่วยอยู่แต่ไปบินธบาได้อยู่อีกประมาณหกสิบเจ็ดวันองค์ท่านนึกอยากจะไปพักบ้านานาในาสักวาละ องค์ท่านก็สั่งเสียหลวงตาทองอยู่ว่าอยู่เอย๋ยจะไปพักวัดลางบ้านนานในสักระหว่างก่อนเพาไกลกันจากวัดป่าบ้านหนองถือประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็บอกหลวงปู่มหาให้ดูแลหมู่องค์ท่านจะไปกับองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่ลั่นวาจาออกชื่อโอขออภัยคาที่เขียนว่าหลวงปู่มหานั้นหมายความว่าใช้ในปัจจุบันที่เขียนอยู่คาว่าพระอาจารย์มหาบัวก็ดี หรือพระอาจารย์มหาเฉยๆก็ดีหมายความว่าเรียกชายในสมัยนั้นแล้วพระอาจารย์มหาพิจารณาว่าควรให้องค์หนึ่งไปกับองค์ท่านแล้วตกลงรับหลังหลวงปู่ว่าควรให้ท่านทองคําไปด้วยแล้วก็จัดแจงบริขารรวดเร็วพลันทันการแล้วองค์ท่านไปพักได้สองคืนพระเนนยังไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมเพราะเกรงองค์ท่านดุว่าเรามาวิเวกพากันมายุ่งทําไมพระเนน ผู้อยู่ข้างหลังเงียบเหงาไปทั้งวัดว้าเวมากปรากฏแก่ตาแก่ใจว่าต้นไม้ต่างๆในวัดและบรรยากาศเงียบเหงาลมก็ไม่พัดมาคล้ายกับว่าว้าเวไปตามกันหมดผู้เขียนนี้เดินลุดไปลุดมาในวัดและดูทิศทั้งสี่รอบๆจิตใจคิดคอยละห้อยหวนชวนให้นึกแต่เรื่องภายนอกคิดถึงหลวงปู่อยู่ไม่ขาดภาวนาก็ไม่ลงเป็นชิ้นเป็นอันหวนคิดไปต่างๆนาน า, นาว่า หลวงปู่ทรมานชาวบ้านชาววัดหรือบุคคลใดหนอเราไม่รู้ได้ทั้งนั้นล่ะเป็นเหตุชวนให้คิด แ, แท้โอ้ยตับจะแตกตายละทีนี้พอตกครบท่ำห้าโมงเย็นก็ไปกราบพระอาจารย์มหาแล้วปราบบกว่ากระผมอยู่ไม่เป็นสุขอยากจะไปเยือนหลวงปู่ที่อยู่กับครูบาทองคำสององค์ท่านกลัวองค์ท่านจะดุจิตใจกระผมว่าเหวมากขอรับกระผมนึกว่า จะไปองค์เดียวแล้วจะกลบกับตอนกลางคืนองค์เดียวจะเป็นประการใดหนอองค์พระอาจารย์มหาตอบว่าเออผมก็ว่าเวเหมือนกันท่านลองไปดูซิผมไม่ว่าดอกกลาบลาองค์ท่านแล้วก็รีบไปพอไปถึงก็ค่ามืดพอดีขณะนั้นองค์หลวงปู่และคูบาทองคํานั่งอยู่พื้นดินพอเรายังไม่ทันนั่งลงกลาบองค์หลวงปู่พูดขึ้นเย็นเยนว่าเออคุณล่ามา ไปเอาปืนนั้นมาใส่ไฟให้ดุนไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บเสียเนื้อที่นี่ไห้กิเลสมันสลดใจมากยังไม่อยู่มือขวาจับเอาปืนมาใส่ไฟมือซ้ายเอาชายผ้าอาบมาเช็ดน้ำตาเพราะไอ้กิเลสมันไหลหลังทางเทออกมาทางนึกในใจว่าเราหวนผิดคิดผิดว่าองค์ท่านจะดุว่ามันตามมายุ่งอะไรแต่กลายเป็นหน้ามืออยู่ตามเดิมเป็นเรื่องทดสอบได้ชัดว่า องค์หลวงปู่หนีมานี้ไม่ใช่เรื่องเราเกี่ยวอยู่ในการองค์ท่านขัดข้องดอกเป็นเรื่องใดไม่ทราบได้อีกละน้ำตาไหลยอยู่ประมาณ15นาทีก็พิกจิตติคืนได้อง์หลวงปู่กับกูบาทองคําหัวล็าะอยู่และองค์หลวงปู่เปล่งวาจาว่าเทวบุตรร้องไห้เทวบุตรร้องไห้พร้ อ, อมทั้งพูดพร้อมทั้งหัวล็อกและการจับไข้ขององค์ท่านก็เบาลงแล้วชลอยจะเป็นด้วยอากาศโปร่งกว่ากันบ้าง หรือยังไงก็ไม่ทราบได้ขั้นตอนดึกประมาณสี่ทุ่มเศษก็กราบลากลับวัดแล้วพระอาจารย์มหายังไม่ทันได้หลับขึ้นจากทางจงกรมใหม่ๆไฟตะเกียงจุดริบลีริบลีอยู่ขึ้นไปกราบองค์ท่านเล่าถวายทุกประการองค์ท่านคำหนึง่งพิจารณาแบบปัญจงองค์ท่านกล่าวว่าเออพรุ่งนี้เช้าฉันเจ้าเสร็จผมจะพาหมูเ่เราทั้งหมดและชาวบ้านหนองผือทั้งหมดไปอาราธนากราบเทานิมนต์วิงวอน ให้องค์หลวงปู่คืนมาวัดเราตามเดิมเพราะชาววัดชาวบ้านก็ว้าวเวยเงียบเหงากินไม่ได้นอนไม่หลับแม่ตัวของผมก็สลดใจและว้าวเวยมากเ่านี้องค์ท่านจะไปวิเวกจริงหรือไรผมก็พิจารณายากอยู่สักหน่อยไม่ว่าแต่สักหน่อยละพิจารณายากกันดีๆนี่เองล่าเอ๋ยล่าขังตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จโยมก็หลั่งไหลเข้ามารวมกันที่วัดป่า องค์พระอาจารย์มหาก็ประกาศพระในวัดเตรียมตัวห่มผ้าจีวรและโยมก็เอาแค่สำหรับจะหามองค์หลวงปู่ไปพร้อมด้วยทั้งชาวบ้านชาววัดประมาณร้อยคนพอไปถึงก็งเงียบสงดไม่มีใครกรบแก๊บและไอาจามกราบพร้อมกันหมดแล้วโยมผู้ฉลาดขอโอกาสกราบเรียนว่าเวลาที่องค์หลวงปู่มาพักวิเวกเพียงสองสามวันนี้เท่ากับว่านานถึงร้อยพันปี ทั้งชาวบ้านและชาววัดไม่เป็นอันกินอันนอนว้าเหวมากขอกราบเท้าเหรียญถวายองค์หลวงปู่ได้โปรดการุณากลับตามเคยเถิดโทษของเก้าอันใดมีขอได้โปรดประทานอภัยให้เก้าและทุกทวนหน้าเถินการปฏิบัติทุกๆประการหลวงปู่เห็นสมควรประการใดทั้งชาวบ้านและชาววัดจะยอมทําตามไม่มีขัดหันหรือไทยของธรรมอย่างองค์หลวงปู่ตามสติกําลังอยู่ทุกเมื่อเถิน ขั้นแล้วก็ค่อยจับแจงแต่งบริขารขององค์หลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ขึ้นบนแคร่หามเดินช้าๆเงียบๆโยมหามออกก่อนพระตามหลังที่นั่งขององค์ท่านปูอาสนะด้วยเ บ, บาะยัดใบก้าแห้งองค์ท่านนั่งขัดสมาธิไม่ถึงขังและไม่อ่อนแอและดูถึงใจไม่มีจะเทียบได้ข้าพระเจ้ากิเลสมากอยู่ไม่ไหวก็แทรกโยมเข้าไปจับแค่ชูนึกในใจว่า เราก็มีสิทธิ์จะจับแค่หลวงปู่ชูช่วยเขาแต่เราจะแลดูอาจารย์มหาเสียก่อนถ้าพระอาจารย์มหาขึงตาเราก็จะถอยออกแต่องค์ท่านก็เลยปลงทำสังเวทในจิริยาซำข้าพระเจ้าทั้งนึกในใจว่าโอ้อนิจจาเอย๋ยน้ำตาของข้านี้ออกมาขายที่หน้าอีกแล้วผ้าอาบน้ำเช็ดน้ำตาไปจนตลอดทางหลวงปู่อยู่ท่าภาวนาหลับตาภาวนาอยู่ ทำไมถึงรู้ว่าเราน้ำตาไหลเพราะคนทั้งหลายก็หามไปเงียบๆช้าๆหลวงปู่ปลาลกขึ้นเยนเ็ยนๆเบาๆว่าล่าทําไมไม่คอยอยู่วัดถ้ามาแล้วน้ำตาเธอออกง่ายนิสัยแปลกกว่าองค์อื่นแล้วองค์ท่านนั่งภาวนาขัดสมาธิตามเดิมจนถึงวัดขั้นองค์หลวงปู่ขึ้นถึงกุฏิเรียบร้อยแล้วบรรดาลูกศิษย์ที่ถือนิสัยก็มีรีบผมผ้าจะเฉวียนบางมาขอโอกาส ต่อนิสัยตามเคยต่อแต่นั้นข้อวัดในระหว่างลูกศิษย์กับหลวงปู่ก็ของใครของมันตามเคยที่ทำมาขอให้เข้าใจว่ามีพระอาจารย์มหาและหลวงตาทองอยู่เท่านั้นไม่ได้ขอนิสัยเพราะองค์ท่านทั้งสองมีมีราษาสูงพอควรแล้วแต่พระอาจารย์มหานั้นขอหรือไม่ขอก็มีข้อวัดประจำหลวงปู่แบบลึกซึ้งอยู่แล้วไม่จำเป็นจะสงสัยจะเอามากก่า ว, วิจัยเลยเพราะองค์ท่าน เป็นมือขวาช่วยหลวงปู่ลองรับอยู่ทุดงขวัตจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาคันล่วงเข้ามาเวลาวันเดือนปีชีวีของสังขารก็เคลื่อนคล้อยลงทุกวินาทีไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ปานกลางสังขารที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณมีหน้าที่แปลปลวนไปจากสภาพเดิมอยู่ทุกขณะลมพานแล้วอง์หลวงปู่ป่วยลงชั้นที่หนึ่งไปบินธบาตได้รอบบานชั้นที่สอง ไปบินทบาทลิมบ้านชั้นที่สามไปบินทบาทครึ่งทางชั้นที่สี่ไปบินทบาทประตูวัดชั้นที่ห้าไปบินทบาทใกล้ศาลาฉันแต่ไปฉันกับหมู่ที่ลงฉันอยู่หมายเหตุในระหว่างที่ไปไม่ถึงบ้านโยมเขาจัดกันมาลาดใส่แต่เฉพาะองค์ท่านกับพระผู้ตามหลังองค์หนึ่งเท่านั้นคือคูบาวันส่วนนอกนั้นเข้าบ้านตามเคยมีหลวงตาทองอยู่และพระอาจารย์มหาเป็นหัวหน้าพาเข้าบ้าน แต่ย้วเวลาเข้าเช้ากว่าเก่าเพราะจะได้มาให้ทันข้อวัดชั้นที่หหลวงปู่บินทบาติที่ริมบันไดกุฏิองค์ท่านชั้นที่เจ็ดองหลวงปู่ยืนบินทบาติที่บนระเบียงกุฏิชั้นที่แปดหลวงปู่ตั้งบาทไว้ที่ระเบียงอันนั่งฉันให้เข้าใจว่าขณะที่บินทบาติที่บันไดและระเบียงขององค์หลวงปู่นั้นหลวงปู่ไม่ได้ไปฉันกับลูกๆห ล, ล, ลานๆในศาลาแล้วจึงยอมฉันในถ้วยในชาม และยอมสดช้อนสองสามคืนบ้านนี่อย่างไรเล่าหลวงปู่ไม่ได้ทำเพื่อถือลันถือขังอันใดให้ส่งเสริมมานะทิฏฐิอันใดเลยทำเพื่อทอดสะพานต้งตรงให้แ ก, ลก่ลูกๆหลัๆผู้สุดท้ายยอมเป็นยอมตายต่อพ่อวัดส่วนนี้ไม่คอนแคลนผู้มีนิสัยอย่างนี้ก็จะได้สืบไว้ผู้ไม่มีนิสัยอย่างนี้ก็มีที่พูดอีกว่าไปบินทบาดและไม่ไปมันก็ได้กินและฉันอยู่ จะไปทําไมเกณฑ์จะไม่ได้ฉันหรือท่านผู้ชอบอย่างนี้จะว่าก็ว่าซะถูกไปคนละส่วนอยู่ไม่ผิดดอกเพราะพระธรรมวินัยส่วนนี้ไม่บังคับแล้วแต่ศรัทธาแต่ละลายของเจ้าตัวแต่เป็นเครื่องขัดเกากิเลบบางท่านกล่าวตู่พระธรรมวินัยว่าทุดงขวัตเป็นอัตตะกิรมะฐานุโยขหลวงปู่มั่นเคยเทศนาว่าทุดงขวัตก็ดีทำพีวิสุทธิมัท ก, ก็ดีดย่นลงในพระปาติโมกแล้ว โมขะโม ข, ขังแปลว่าข้ามพ้นจากความผิดทุดงขวัตจัดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแบบขัดเกลากิเลสถ้าพระไม่ปฏิบัติบ้านแล้วจะให้ผีตัวใดมาสัทธาปฏิบัติเล่าทุดงขวัตสิบสามข้อนั้นต้องได้คนละหนึ่งสองสามข้อหรือสี่ข้ออยู่เพราะเหตุว่าบางองค์ยินดีแต่เสนาสนะเดิมมีได้โยกย้ายไปทางอื่นเพราะสําโดษในเสนาสนะแล้วก็ได้ข้อที่ว่า ยากหาสัมถติกังคะผู้ฉันหุนเดียวก็ได้เอกาสานิกังคะยากนักยากหนาผู้จะไม่มีธุดงเลยทีเดียวไม่ข้อหนึ่งก็ได้ข้อหนึ่งกันอยู่อย่างนั้นผู้เขียนก็ได้ธุดงอยู่คือนุ่งหุมผ้าบางสุกุลเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดฉันในบาศเป็นวัดฉันในบาศเป็นวัดนี้บางคราวก็มีภาชนะสองบ้างพเพราะเกี่ยวกับนมเป็นบางครั้ง บางทีก็มีน้ําแกงใส่แก้วบ้างเพราะมีสิ่งที่อ้างแอบกินกับโลกทองปูกบ้างแต่ปฏิบัติมาได้ยี่สิบห้าปีจึงมีภาชนะสองบ้านแต่กําลังจะแก้กับเคืนอยู่เพราะพระหนุ่มเน้นน้อยเห็นแล้วจับเอาเป็นตัวอย่างถ้าตอนไหนหัวหน้าหย่อนมากพระหนุ่มเน้นน้อยก็เอาแบบอย่างไว้ไม่วางเลยตอนไหนเข่งเข้าบ้างก็จะอิดเซียนถือว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ พรรษา36มล่วงแล้วอายุขไข่ล่วงไปเจสิปีส่วนอายุพรรษามีหน้าที่ล่วงไปก็ล่วงไปซะแต่ถ้ว่าสําคัญที่กิเลสมันล่วงไปหรือไม่ยังเหลืออยู่หนักเบาเท่าไหร่หรือหากว่าสิ้นไปจากขันทาันดานแล้วต้องขึ้นกับภ้า พ, พดแต่ละลายของแต่ละบุคคลจะโอปัยิโกและปัจจัดตังผู้นั่งสารบรรลังจะยังดูตนเองมิฉะนั้นแล้วจะมัวแต่แอบกินกับอายุพรรษา ไปเป็นอำนาจกว่าต้อนคู่เข็นคนให้หักดอกไม้บูชากิเลสของตนตอนนี้ก็ไม่อยากเขียนดอกคล้ายกับว่าปากบอนห่อนหอ่อแต่ก็มอบให้เป็นกิเลสปากบอนไปซะปากก็บอนมือเขียนก็บอนใจก็บอนบอนกับบอนก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะบอนบอนบอ น, บอนมาจากใจแต่เขียนแล้วอ่านแล้วฟังแล้วพิจารณานแล้วไม่ให้เป็นพิษไยเดือดร้อนก็แล้วไปเท่านั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคิดแล้วนึกแล้วก็ล่วงไปเท่านั้นเพราะจิตตาสังขารจะเข้าในนามะโลกนามะสังขารนามะธรรมนามะท่านามะอินรีนามังอนิจจนามังทุกขังนามังอนัตตากันดีๆนี่เองอย่างปฏิเสธไม่ได้ลู้เขียนรู้ลบรู้ได้ลู้เสียลู้เกิดลู้ตายลู้ไปหลายรู้ไม่เกิดรู้ไม่ตายรู้ไปมากก็ไม่เป็นไร แต่ระวังอย่าได้เดือดร้อนแต่ร้อนดับไปแล้วก็ไม่ได้ระวังยากแต่ถ้ามีอยู่ในใจก็ต้องระวังต้องร้อนแทๆ้ๆการระวังเป็นการไม่ลืมตัวของผู้ยังไม่พน้นเพราะโชคชนปฏิบัติอยู่แต่ท่านผู้พ้นไปแล้วจะต้องระวังทําไมเพราะไม่มีโทษผู้ที่มีโทษอยู่ก็ต้องระวังถ้าไม่ระวังมันผิดจริงๆแต่บานสิ่งบานกรณีเกี่ยวกับโลกวัจะ ก็ต้องรักษาตามพระวินัยแต่ก็ไม่ต้องหนักใจในพระบัญญัติเพราะพระบรมศาสดาบัญญัติไว้แล้วบริบูรณ์ไม่บกพร่องและบางท่านชอบกล่าวว่าทําไมจึงไม่ทําสังขารนาอีกเล่าผู้เขียนตอบว่ า, าพระไตรปิฎกบริบูรณ์อยู่ไม่บกพร่องแล้วไม่ขาดเขินเลยท่านผู้ใดเหยียบหลุมฐานเพิงก็ปล่อยให้หลุมฐานเพิงสังขารนาเอาทางดีตรงกันข้ามกรรมและผลของกรรมที่ทําดีและชั่ว ย่ำสังขายานาปวงสัตว์โลกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยอยู่ทุกลมปรานก็ว่าได้อยู่ทุกขณะจิตก็ไม่ผิดอีกเพราะเหตุจิตผลจิตมีอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ต้องสาวโยงไปอดีตอนาคตก็ได้เพราะพระไตรปิฎกฝ่ายสังคฆาไนย่นลงมาในปัจจุบันนาจิตปัจจุบันนธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุและผลแล้วฝ่ายที่ทรงอยู่นอกเหตุนอกผลเหล่าก็ย่นลงในเอกธรรมโมในปัจจุบันนธรรม อันเป็นฝ่ายเหตุและผลแล้วฝ่ายที่ทรงอยู่นอกเหตุนอกผลเหล่าก็ยน่นลงในเอกธรรมโมในปัจจุบั น, นธรรมอันไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่แปลปวนแล้วถ้าสงสัยตอนไหนไหนแล้วความสงสัยตอนนั้นก็เป็นเหตุและเป็นผลวนกันอยู่ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายความไม่สงสัยตอนต้นเป็นภูมิของพระโสดาบันความไม่สงสัยตอนท้ายเป็นภูมิของพระอรหรันต แยกความทิ้นสงสัยออกเป็นสี่ชั้นตามชั้นของมรรคและผลไปเป็นตอนๆตนัดจะทำก็เช่นกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของท่านผู้แตกฉันในธรรมเป็นเกียนไม่ทั่วไปทุกลูกทุกนามผู้ขาดเลย